Oh. Um. ทางหลวงมานล่อให้ทุกทนชีวิตว่ายเวียนบนนรกร้อนทางรอดรอดด้วยกมลคงมั่นทาเหยสลัดกิเลสซ่อนสอนที่ผลทุกระทม จเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทารงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดแสงเทียนจากปลายปากกาธรรมลิขิตของวสินอินทศละขอเชิญท่าน ติดตามได้นบัดนี้รุ่งอรุณของวันนั้นแม้มันจวนจะย่างเข้าคิมฮลุดูแล้วแต่ลมหนาวก็ยังพิ้วมาเป็นระยะระยะ เสียงรถเสียงมา้าและเสียงคนเรียกกันดังอยู่มิได้ขาดประชาชนเดินควักขว่ไปมาเป็นกลุ่มกลุ่มถนนซึ่งดำดำด่างดังนั้นถูกบทแล้วขยี้เล่าโดยล้อแห่งยวดยานต่างชนิด พังซอกฟากถนนจะมองเห็นกาสาวพัดเหลืองอารามเคลื่อนไหวไปมาอย่างเชื่มช้าและระมัดระวังภายใต้กาสาวพัดนี้เป็นร่างชายในวัยต่างๆผู้บำเพ็ญตนเป็นนักพรตเพื่อสแสวงหาทางแห่งสันติหรืออย่างน้อยก็เพื่อศึกษาหาความรู้ในพระธรรมวินัยแล้วนำมาแก้ไขากายวาจาและใจของตนให้ถูกต้อง สะอาดท่านเหล่านั้นจะหยุดรับอาหารเป็นระยะระยะเท่าที่มีผู้คนต้องการถวายในบรรดาสมณะทั้งหลายดังกล่าวนี้มีภิกษุรูปหนึ่งมีอาการเรียบร้อยคลองจีวรแต่พองามไม่ตึงและรัดจนแน่นและไม่หย่อนยานจนรุ่มร่ามเดินสำรวมกิริยาตามเสเขียววัดทุกประการไม่เร็วเกินไป และไม่ช้าเกินไปจะเหลียวซ้ายและขวาก็เฉพาะที่ข้ามถนนเท่านั้นมีอินทรีย์สงบและท่าทางเยือกเย็นส่อความรู้สึกภายในอันสูงเพียงแต่ดูภายนอกก็พอจะพูดได้ว่าสมณะผู้นี้เป็นผู้บูชาพระาศาสดาด้วยใจจริงในขณะที่ท่านเดินมาถึงมุมถนนแห่งหนึ่งท่านต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียง นิมนเจ้าข้าทันทีที่ท่านเหลียวมาทาั้งเสียงนั้นภาพที่ปรากฏหญิงชรางกงนันเรียกได้ว่าเกือบจะสันเทิมไปทั้งตัวขาข้างหนึ่งพิการมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือภาชนะอาหารเมื่อได้เข้ามาใกล้พอสมควรแล้วท่านก็ย่อตัวลงพอให้หญิงชราได้ใส่บาสสะดวกแต่อ น, นิจจา ไม้เท้ า, าที่หญิงชราใช้ยันกายนั้นเกิดพลาดโดยบังเอิญร่างของนางเซไปข้างหนึ่งอาหารในถ้วยแทนที่จะลงในบาตรกลับตกลงอยู่ที่พื้นถนนเย็นวันหนึ่งหลังจากปฏิบัติกิจอื่นๆอันสมควรจะกระทาแล้วก็ถึงเวลาเข้าพักผ่อนและใช้เป็นเวลาตรึกตรองธทม หรือมิฉนันก็สนทนากับเพื่อนพรหมจารีอื่นๆเท่าที่มีและสมควรเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดให้สะธมิทธานหนึ่งทราบท่านพูดขึ้นตอนหนึ่งว่าพราดาเมื่อเหตุการณ์ปรากฏเช่นนั้นขปเจ้าและหญิงชราต่างก็ตกอยู่ในอาการตะลึงโดยเฉพาะขปเจ้าเองมีอาการตัวชาเหมือนไม่มีความรู้สึกพูดอะไรไม่ออก และยิ่งเห็นหญิงชราผู้นั้นมีน้ำตาเออเต็มเบ้าตาและในที่สุดก็ไหลพรากลงอาบแก้มข้าพเจ้าต้องการจะพูดปลอบใจนางว่าแม้เท่านี้ก็บุญพอแล้วแต่ข้าพเจ้าก็พูดไม่ออกข้าพเจ้าทนยืนต่อไปอีกไม่ได้เพราะความสงสารและเห็นใจอาจจะทำให้ข้าพเจ้าต้องแสดงอาการและกระทำในสิ่งอันไม่ควรแก่สมณะ ข้าพเจ้าตัดสินใจถอยออกมาและเดินกลับปราดาแม้จะยังเช้าอยู่และพอจะเดินไปหาอาหารที่อื่นได้อีกแต่ใจของข้าพเจ้าห่อเหี่ยวและหมดกําลังที่จะเดินต่อไปข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเดินกลับอาราม ท, ทั้งทั้งที่วันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อาหารเลยแปลว่าวันนั้นข้าพเจ้าต้องอดอาหารทั้งวันท่านอาจจะแปลกใจว่า ทำไมข้าพเจ้าต้องอดอาหารทั้งวันพระดาข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในถิ่นนี้ไม่มีใครที่รู้จักข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มิได้รู้จักใครเลยแต่น่าประลาดยิ่งนักเพราะแม้ข้าพเจ้าจะอดอาหารทั้งวันในวันนั้นแต่ก็หามีความทุรนทุรายหรือทุกขเวทนาเพราะความหิวไม่จิตใจที่สงสารหญิงชรามีมากจนข้าพเจ้าลืมนึกถึงตัวเอง ในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าออกบินทบาตอีกและได้เดินผ่านไปทางนั้นพระดาเอย๋ยข้าพเจ้าเกือบร้องไห้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงชาวตลาดกลุ่มหนึ่งพูดกันว่าหญิงชราคนนั้นได้ตายเสียแล้วเมื่อคืนนี้และชี้ไปยังที่ที่นางลม้มลงตอนใสาบาดข้าพเจ้าบังเอิญวันนั้นข้าพเจ้าได้อาหารบ้างแล้วจึงรีบกลับ เมื่อฉันอาหารแล้วข้าพเจ้าก็สำรวมจิตแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศลไปให้นางตามความสามารถแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นรอยจารึกในดวงใจของข้าพเจ้าจนไม่สามารถจะลืมได้จนบัดนี้เมื่อเห็นคนชรามีศรัทธาจะถวายบิณฑบาตข้าพเจ้าอดวันใจไม่ได้เลยพระดา เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะมีความผิดในฐานนะเป็นสาเหตุให้หญิงชาราต้องตายหรือไม่ข้าแต่ท่านผู้เนีรทุกภิกษุหนุ่มอีกรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านไม่มีความผิดไม่มีบาปทั้งนี้เพราะท่านไม่มีเจตนาร้ายต่อหญิงชารานั้นแม้แต่น้อยบาปย่อมมีแก่ผู้มีเจตนาและลงมือกระทา หรือใช้ให้คนอื่นทำอีกประการหนึ่งความตายเป็นเรื่องธรรมดาและสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเมื่อถึงคราวจะต้องตายบางทีนอนอยู่เฉยๆก็ยังตายไปได้โดยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยอันหนึ่งหญิงชราคนนั้นได้ตายลงในขณะที่จิตเป็นกุศลอาสัญกรรมของนางคงจะดีมาก ถ้านางเพียงได้ใส่อาหารลงในบาทของท่านเป็นที่น่าเสียดายว่าอาหารมิได้ตกลงในบาทแต่ก็ได้ชื่อว่านางที่ทาบุญแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านต้องได้รับบาปในกรณีนี้พระาศาสดาก็คงไม่พ้นบาปในกรณีที่นางมาคันทยาถูกประหารพร้อมด้วยบริวารท่านคงเคยทราบเรื่องพิสูจน์นี้ในพรานเนื้อ หนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และถูกในพลานแทงด้วยหอกเพื่อให้ตกลงมาเมื่อแทงเท้าขวาท่านก็ยกเท้าขวาขึ้นในพลานก็แทงเท้าซ้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเท้าพลุนไปด้วยรอยแผลสรีระของท่านเร่าร้อนเหลือจะทนความเจ็บปวดทําให้ท่านไม่สามารถครองจีวรไว้ได้บังเอิญจีวรหล่นลงมาคลุมในพลานตั้งแต่ศีรษะจดเท้า สุนักไล่เนื้อของนายพรานซึ่งคอยทีอยู่ใต้ต้นไม้เข้าใจว่าภิกษุนั้นตกลงมาก็ช่วยกันคบกัดถึงเนื้อหนังของนายพรานจนเหลือแต่กระดูกเมื่อสุนักยังไม่ไปภิกษุนั้นก็หักกิ่งไม้แห้งทิ้งลงมามันทั้งหลายได้ทราบว่าได้กัดนายของมันตายเสียแล้วก็ตกใจและวิ่งเข้าป่าไป ภิกษุรูปนั้นสงสัยว่าตนจะเป็นสาเหตุให้ในพรานต้องตายหรือไม่ตนยังมีศีลบริบูรณ์หรือไม่จึงนำความกราบทูลพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสตรปรองศีลของภิกษุรูปนั้นว่าบริสุทธิ์และเธอเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะเหตุนี้กลับแสดงว่าบาปย่อมกลับตกถึงพราน ผู้ซึ่งคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายตนเหมือนธูลีที่บุคคลคว้างขึ้นฟ้าย่อมตกลงบนศรีรษะของผู้นั้นท่านผู้เจริญด้วยประการดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ไม่มีบาปและไม่มีอะไรต้องวิตกกงังวลภิกษุหนุ่มรูปนั้นกล่าวในที่สุดดูกรพราดาภิกษุรูปแรกกล่าว แม้อายุของท่านจะยังไม่ย่างเข้าสู่มชิมวัยเลยแต่คำกล่าวของท่านแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ในด้านจิตใจอย่างน่าสรรเสริญยิ่งนักปราดาผู้ใหญ่หรือพระเถระในความหมายของพระบรมศาสดานั้นต้องเป็นผู้พูดจาเป็นอัดเป็นธรรมมิใช่เลาะและดังครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้ายังจําได้ประทับใจว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตำบลออรุเวลาที่ต้นไซเป็นที่พักร้อนของพวกคนเลี้ยงแพะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรันชราข่าวแรกตรัสรู้ใหม่ๆภิกษุทั้งหลายพรามเป็นอันมากล้วนแต่เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานถึงวัยแล้วเข้าไปหาเราถึงที่เราพักอยู่ทำความปราศัยพอสมควรแล้ว พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคํานี้กับเราว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระสมณโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกครับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่าผู้เกิดแล้วนานข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือพระโคดมข้อนี้ไม่สมควรมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแกเรา ว, ว่า พราหผู้มีอายุพวกนี้ไม่รู้จักพระเถระหรือธรรมที่ทําคนให้เป็นพระเถระภิกษุทั้งหลายบุคคลแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุแปดสิบเก้าสร้อยปีโดยกําเนิดก็ตามแต่เขามีคําพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อิงไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้พานโดยแท้ภิกษุทั้งหลายคนผู้ใดแม้ยังอ่อนยังหนุ่มยังรุ่นมีผมยังดำยังอยู่ในปฐมวัยแต่เขาเป็นคนมีคำพูดเหมาะแก่การพูดจริงพูดมีประโยชน์พูดเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้ง มีหลักมีฐานมีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์คนนั้นนับว่าเป็นเทระบัณฑิตโดยแน่แท้พราดาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตั้งใจสำเหนียกว่าจะไม่เป็นเทระพานแต่จะเป็นเทระบัณฑิตสาธุท่านผู้เจริญกรเบเจ้าจะทรงข้อความที่ท่านกล่าวนี้ไว้ดีด และจะเล่าให้เพื่อนพรหมจารีอื่นๆฟังต่อไปอีกท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีนามในพระศาสนาว่าธรรมชาติทำอย่างไรข้าพเจ้าจริงจะทราบนามของท่านผู้เจริญบ้างเล่าพระดาเคลื่อนพรหมจารีเรียกข้าพเจ้าสารชาติมาตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าอุปสมบทเมื่อท่านต้องการจะเรียกข้าพเจ้าโดยนาม ขอให้เรียกสารชาติเถิดอวุโสพระสารชาติกล่าวต่อเวลาของเรายังมีอยู่ถ้าท่านไม่มีทุระอะไรส่วนตัวจะอยู่สนทนากับข้าพเจ้าอีกก็ยินดีข้าแต่ท่านผู้เนือรุกรุกข้าพเจ้ามีความพอใจอย่างยิ่งที่ได้สนทนากับท่านถ้าท่านผู้จเจริญมีอะไรจะนํามาเล่าสู่ข้าพเจ้าฟังเพื่อประดับความรู้ ในฐานะเป็นผู้มาสู่โลกนี้ภายหลังก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งทั้งสองเงียบกันไปสักครู่หนึ่งกระแสะลมอ่อนพัดมาทางบุรพทิตทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายกิ่งอ่อนของต้นไม้ไหวพิ้วไหวไปตามลมพร้อมๆกับใบแก่ได้หล่นลงสู่พื้นเป็นครั้งคราว บรรยากาศในอารามสงบเงียบเหมาะแก่การเป็นที่พำนักของท่านผู้สแสวงมรรคาแห่งอมตะนานๆนนจึงจะได้ยินเสียงจากลำน้ำใกล้อารามดังอยู่บ้างอันแสดงว่าการสัญจรทางน้ำยังมีอยู่ดูก่อนพระดาพระสารชาติเริ่มขึ้นครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปเพื่อแสดงธรรมในชนบท ต้องข้ามทางกันดานมากขพเจ้าต้องปีนป่ายขึ้นเขาชันชันเพื่อข้ามภูเขาลูกนั้นไปในชนบทอีกแห่งหนึ่งบางแห่งขพเจ้าต้องข้ามห้วยและลําธารซึ่งมีน้ําลึกและไหลเชี่ยวบางแห่งก็เป็นทุ่งราบอันกว้างใหญ่ไพศาล ส, สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ขพเจ้าเกิดความรู้สึกลำบากอะไรเพราะขพเจ้าคุ้นเคยกับการเดินทางชนิดนี้เสียแล้ว แต่สิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าประทับใจนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีอวุโสณทุ่งราบแห่งหนึ่งเป็นที่ทำมาหากินของชาวชนบทโดยการทํานาและในการไถนั้นใช้บัวคู่เทียมเข้าด้วยกันข้าพเจ้าเห็นวัวหนุ่มตัวหนึ่งมันทําให้ข้าพเจ้าเศร้าจนแทบน้ําตาไหลหลังวัวหนุ่มตัวนั้นเป็นแผลเบะหว่ะ แทบจะเรียกได้ว่าหลังกลวงทีเดียวมันลึกลงไปถึงไหนก็เปเจ้าไม่รู้ได้แต่จากการมองเห็นในระยะไม่ไกลนักเห็นเป็นหลุมลึกลงไปมันถูกจับมาเทียมไถและต้องลากไปรอบๆแปลงน า, มาแมลงวันตอมหึงบนหลังของมันนั้นแม้มีหางไว้สำหรับวีและป้องปัดมแมลงวันแต่สังเกตว่ามันไม่กล้าปัดแรงนัก เพราะกลัวถูกแผยิ่งร้ายกว่านั้นไม้เหลี่ยวในมือเจ้าของคอยกระนำลงมาเป็นระยะระยะพระดาเอย๋ยทุกครั้งที่ไม้เหลียวกระทบหลังวัวหนุ่มตัวนั้นมันเหมือนหวดลงบนหัวใจอันห่อเหี่ยวของข้าพเจ้าถ้าไม่มีแผลเบิกบะบนหลังของมันข้าพเจ้าจะไม่รู้สึกอะไรนะักข้าพเจ้าลบเข้ามานั่งพักณในะต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง อีกสักครู่ต่อมาข้าพเจ้าเห็นชาวนาผู้นั้นปล่อยวัวคู่ที่เทียมไถโดยไม่ได้เอาใจใส่อะไรเลยแต่กลับเอาใจใส่ประครบประงมโคอีกตัวหนึ่งซึ่งผูกไว้ใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าพึ่งเห็นมันเป็นโคถึกล่าสันและท่าทางสุขภาพดีดูก่อนพราดาความรู้สึกของข้าพเจ้าเวลานั้นสับสนวุ่นวายเสียเหลือเกิน อีกแห่งหนึ่งมันเป็นริมทะเลพระอาทิตย์กำลังอยู่กลางฟ้าพอดีฤ ด, ดูนั้นเป็นฤ ด, ดูร้อนมันกำลังร้อนจัดเหลือประมาณแม่ลมทะเลจะพัดมาพอบรรเทาความร้อนได้บ้างแต่แสงแดดที่แผดกล้าตอนเที่ยงวันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าร้อนอยู่นั่นเอ ง, ท, ง, ท, งทั้งๆที่ข้าพเจ้าเดินตัวเปล่าไม่มีสัมภาระอะไรเลย กบเจ้าเดินทางสวนกับสตรีผู้หนึ่งหลอนกําลังมีคันแก่ถ้ากพเจ้าดูไม่ผิดคันของหล่อนคงจเจริญมาไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือนหลอนเป็นสตรีวัยกลางคนมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยซึ่งกําลังอ่อนไม่สามารถเดินได้อีกมือหนึ่งจับภาชนะซึ่งวางอยู่บนศีรษะที่หนักอึ้งมันคือหม้อใหญ่สําหรับใส่น้ําตาลเหลว หล่อนกำลังนำน้ำตาลเหลวไปขายในเมืองคงจะได้ราคาประมาณห1 0ถึงบาทเท่านั้นเองสังเกตจากหน้าตาท่าทางของหล่อนหล่อนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเศร้าส่้อยมาริะท่านลองนึกภาพดูสิหญิงหนึ่งไวกลางคนมีคันมือหนึ่งอุ้มลูกอีกมือหนึ่งจับภาชนะที่หนักอึ้งอยู่บนศีรษะ เดินฝ่าแดดไปบนโคลนทรายในยามเที่ยงกัปเจ้าหยุดยืนมองลงไปในทะเลอันมองไม่เห็นฝั่งเห็นแต่น้ำและขอบฟ้าอยู่รำไรมาริสาภาพอันนี้ทำให้กัปเจ้านึกถึงท่านพระองคุลีมานและพระดำรัสของพระาศาสดาที่ว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยไปน้ำตาของคนผู้ซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัร ต้องร้องไห้เพราะถูกทุกทับถมอย่างมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะมัวประมาทอยู่ทำไมเล่าข้าแต่ท่านผู้สแสวงหามรคาแห่งอมะตะพระธรรมชาติกล่าวขึ้นข้าพเจ้าพอมองเห็นและเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของสัตว์ในโลกนี้มีมากมายเหลือที่จะคำนวณได้ แต่สัตว์ทั้งหลายถูกฝ้าคืออวิชชาบังตากล่าวคือปัญญจักสุไว้จึงไม่สามารถมองเห็นความจริงตามสภาพได้และยังลุ่มหลงมัวเมาเพื่อความเกิดในชาติต่อๆไปและนั่นย่อมหมายถึงการยึดความทุกข์ให้ยาวนานไปนั่นเองถูกแล้วท่านผู้เจริญพระสารชาติเสริมความทุกข์ของคน ผู้ซึ่งมีใจยังไม่ถึงธรรมนั้นมีมากนักท่านคงจําได้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกไว้สิบเอ็ดกองคือความเกิดแก่เจ็บความตายความแห้งใจความคลั่ครวญเพื่อรารรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก การต้องพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความไม่สมปรารถนาตามที่อยากเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์คอยเผาลนจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เร่ารอ้อนดิ้นรนอยู่มิหยุดหย่อน รู้ก่อนอุโสพระสารชาติกล่าวต่อไปโดยเฉพาะที่ควรนำมากล่าวให้พิจารณาเห็นได้ง่ายๆเช่นความทุกข์ใจเพราะเรื่องเจ็บคนทุกคนต้องเคยเจ็บมาทั้งสิ้นไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยความทุกข์ทรมานเพราะต้องเจ็บป่วยนี้มีมากนักบางคนต้องทนทรมานอยู่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจนถึงหนึ่งปีสองปีสามปี 4% ปีและห้าปีก็เคยมีและยิ่งกว่านั้นก็เคยมีก่อนจะตายจากไปเขาต้องนอนอยู่บนเตียงจะลุกจะนั่งก็ไม่ไหวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็อึดอัดและลาบากหน้าเบื่อยิ่งนักและยิ่งหนักไปกว่านั้นจิตใจของเขายัางทุรนทุรายไปต่างๆเขาต้องป่วยทั้งทางกายและทางจิตท่านผู้เนียระทุก เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสไว้ตอนท้ายว่าเมื่อว่าโดยสรุปแล้วการเข้าไปยึดถือขันห้าด้วยตัณหาอุปทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งอริยะพระธรรมชาติกล่าวกับพระเจ้าเข้าใจว่าความทุกข์เหล่านี้จะกำจัดให้หมดโดยสิ้นเชิงก็โดยการที่ไม่ต้องเกิดมาเท่านั้น เพราะเมื่อเกิดมาแล้วแม้ความลำบากทางใจจะหมดไปเพราะสิ้นกิเลสแต่ความลำบากเพราะรับภาระเรื่องขันนี้ยังต้องมีมิใช่หรืออุโสถูกแล้วความรับภาระเรื่องขันห้ายังต้องมีดังที่พระองค์ตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันไม่มีแต่อริยชนเมื่อหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือขันเสร็จแล้ว ก็เป็นอันปรงภาระเรื่องขันนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะความทุกข์ไม่สามารถครอบงำใจท่านได้เปรียบเหมือนบุคคลมีแผลยังต้องเยียวยารักษาแผลแต่ผู้นั้นก็ไม่ได้ติดใจในแผลไม่ยึดถืออยากได้ไวเป็นของตนพระเรียก็ต้องบริหารร่างกายต้องอาบน้ำต้องให้อาหารแต่ความยึดถือในตัวตนของท่านไม่มี ความทุกข์เป็นอันเข้าไม่ถึงใจของท่านดูก่อนท่านผู้เป็นอาทิตย์บงมีอยู่ถมไปไม่ใช่หรือที่บุคคลแม้มิได้เจ็บปวดหรือป่วยไข้เลยแต่ก็มีความทุกข์เพราะร่างกายของตนเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะอยากให้เป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยะชั้นอรหันตหมดอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วแม้ท่านจะต้องป่วยไข้เป็นธรรมดา แต่ความทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็หาครอบนำใจท่านได้ไม่เหมือนน้ำแม้จะอยู่บนใบบัวแต่ก็หาซึมซาบลงในใบบัวได้ไม่ฉันนั้นเหมือนกันตัวอย่างเหล่านี้ย่อมแสดงว่าบุคคลเมื่ออบรมใจให้พ่องแผ้วถึงที่สุดแล้วย่อมมีความสุขอันเต็มเปี่ยมเพราะตัดต้นตอเห็นความทุกข์สิได้หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน จึงไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนเป็นแต่เพียงทำลายความทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วแต่การทำลายทุกข์ต้องทำลายที่ต้นเหตุของมันจึงจะถูกทางและชอบด้วยเหตุผลท่านผู้เจริญพระธรรมชาติกล่าวคำกล่าวของท่านสอดคล้องกับมติทางโลกที่ว่า ความเย็นนั้นไม่มีมีแต่ความร้อนเท่านั้นแต่ความเย็นจะปรากฏให้เรารู้สึกต่อเมื่อความร้อนลดลงและเย็นมากขึ้นตามอัตราส่วนแห่งความร้อนที่ลดลงนั้นเองอีกประการหนึ่งวิถีชีวิตไม่ได้ราบเรียบและเหมือนทางที่โรยด้วยดอกไม้แต่มันทั้งครุขระและร้อนระอุผู้เดินบนเส้นทางชีวิตจึงต้องมีธรรมะ เป็นเสมือนรองเทา้าป้องกันความร้อนระอุบนถนนแห่งชีวิตนั้นจึงจะพอเดินไปได้โดยสะดวกและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนผู้เดินด้วยเท้าเปล่าอีกประการหนึ่งเหมือนผู้จะเดินข้ามฝั่งก็ควรจะมีเรือแพช่วยให้ข้ามได้สะดวกมิฉนั้นก็ต้องเปียกปอนหรือจมน้ำตายในท่ามกลางแม่น้ำหรือทะเลนั่นเอง อาวุโสคำกล่าวของท่านเป็นสุภาษิตแท้กับพเจ้าชอบใจคำของท่านเหลือเกินด้วยเหตุด่งที่ท่านกล่าวมาแล้วนี้แหละเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทต่อเส้นทางแห่งชีวิตก่อนจะก้าวควรจะเต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนผู้ก้าวไปบนขากน้ำเมื่อพลาดและเผลอเมื่อไรมันหมายถึงความเจ็บปวดรวดราวและต้องมีสติรอบคอบระมัดระวังด้วยดี ท่านพูดเจริญบรุษผู้ถือถ้วยน้ำมันอันเต็มเปี่ยมและมีบรุษอีผู้หนึ่งเงื้อดาบอยู่เบื้องหลังพลางสั่งว่าถ้าน้ำมันหกท่านจะต้องถูกตัดคอทันทีบรุษผู้นั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถ้วยน้ำมันอย่างเต็มที่ฉันใดพระบรมศาสดาตรัสให้พวกเราตั้งสติระมัดระวังในวิถีทางแห่งชีวิตฉันนั้น พระสารชาติกล่าวในที่สุดปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วเจ้าแห่งฟ้าในยามนี้กำลังเด่นอยู่เหนือทิวไม้แสงอันเรืองรองสุกสกาวซาสองลงมายัางพื้นโลกโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นปราสาทหรือประท่อมของขอทานนานๆจึงจะมีก้อนเมฆเป็นฉากชั้นปลิวมาปิดบังแสงอันนั้น ทำให้มันมืดมิดในบางครั้งและสะลัวในบางคราวเสียงกิ่งสนลู่ลมดังเป็นจังหวะอารามเงียบสงัดจากเสียงแห่งสิ่งมีชีวิตใดๆคงมีแต่เสียงธรรมชาติเท่านั้นจินตนาการของพระภิกษุทั้งสองพุ่งเข้าสู่จุดเดียวกันคือพระพุทธคุณกล่าวคือความบริสุทธิ์ความกรุณา และแสงแห่งพระปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรปิดบังได้